สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีกันทุกคนนะครับขอบคุณพระเจ้าครับแม้ว่าเราจะอยู่ในท่ามกลางพายุฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับพยากรณ์อากาศบอกว่ากรุงเทพมหานครฝนจะตก 20% ของพื้นที่แต่ผมก็บอกลูกชายว่าขอให้เราอยู่ใน ยี่สเป็นนั่นเถอะนะครับเพราะว่ามันทําให้เกิดความชุ่มชํานะครับทําให้เกิดความเย็นสบายนะครับพระเจนาของพระเจ้าในที่จะแบ่งปันกับพี่น้องในบ่ายวันนี้นะครับหัวข้อว่าจงเป็นคนที่มีน้ําใจถ้าคิดถึงคนในชีวิตที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของพี่น้องสักคนหนึ่งพี่น้องคิดถึงใครครับที่เป็น คนที่มีน้ำใจคนเดียวก็พ อ, อถ้าให้ตอบบายนี้ไม่จบแน่นอนนะครับถ้าในพระคัมภีร์ล่ะครับในพระคัมภีร์เดิมพี่น้องคิดถึงใครครับวันนี้ผมคิดถึงอับรามนะครับตอนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอับราฮัมนะครับอับรามและผมอ่านใน เมนูพระครรมภีนะครับวันนี้พระธรรมประจำวันที่ให้อ่านก็คืออยู่ในพระธรรมปฐมกาลนะครับบทที่17อับราฮัมได้อพยพไปหาดินแดนที่อยู่อาศัยตามที่พระเจ้าเรียกแล้วก็มาที่คณาอันนะครับแผ่นดินคณาอัน แล้วเวลานั้นคนคานาอันและคนเปรลิซีก็อยู่ที่นั่นและอับราฮัมนั้นพาโลดหลานชายมาด้วยมาพื้นที่ที่มีพื้นที่ไม่กว้างมากแต่ว่ามีหญ้าอุดมสมบูรณ์คนของอับราฮัมและคนของโลดก็ทะเลาะกันเนื่องจากแย่งที่เลี้ยงสัตว์เมื่อสองคน เจ้าของก็มาพูดคุยตกลงกันอับราฮัมเป็นคนยื่นข้อเสนอให้กับโลดให้โลดเลือกเอาดินแดนที่ดีที่สุดเพื่อเขาจะเลี้ยงสัตว์และคนของเขาแล้วก็อับราฮัมก็อบพยพไปที่ใหม่อับราฮัมก็เป็นคนที่มีน้ำใจต่อลูกหลานของตนเอง แล้วก็ให้สิ่งที่ดีกับโลดเพื่อเขาจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มีคนกล่าวว่าไม่มีใครได้รับเกียรติจากการเป็นผู้รับเกียรตินั้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ให้ในพระธรรมสุภาษิตแม่ปริงที่มีลูกบอกว่าให้ให้นะครับ แต่ว่ามีสามสิ่งที่ไม่เคยพอคือแดนคนตายแล้วก็คันของหญิงไม้หญิงหญิงหมันนะครับแล้วก็น้ำทะเลไม่เคยพอไม่เคยเคิดแห้งแล้วการเป็นผู้ให้นั้นเราคิดถึงเทียน ที่ลุกเผาตัวเองให้แสงสว่างถ้าเทียนไม่ถูกเผาไส้ไม่ถูกเผาและตัวแท่งเทียนไม่หลอมละลายลงมันก็จะไม่ให้แสงสว่างกับใครแต่เมื่อมันถูกเผาและหลอมละลายแสงนั้นก็ส่องไปยังพื้นที่ที่อยู่ร้อมรอบข้างๆนั้นพี่น้องครับการให้นั้นเป็น น้ำพระทัยเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสว่าท่านทั้งหลายจงมีความเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีน้ำพระทยัยมีพระทัยเมตตากรุณาเป็นลักษณะของพระเจ้าที่พระองค์ทรงปรารถนาที่ให้เราเป็นคนนั้นที่มีความเมตตากรุณาและมันเป็นผลและเป็นของประทานฝ่ายวิญ ญ, ญาณเป็นของประทานที่มีอยู่เพื่อเราจะใช้ประโยชน์เพื่อเราจะพัฒนาศักยภาพของเรา ในโรมบทที่12ข้อ8ได้บอกว่าถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติถ้าเป็นการบริจาค ก, ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางนี่เป็นลักษณะของของประทานที่มีอยู่ในคนของพระเจ้าประชากรของพระองค์และเป็นผลของพระวิ ญ, ญญาณประการที่หประการที่หนึ่งพี่น้องรู้นะครับคือความรักนะครับความยินดีสันติสุขความอดทน และประการที่ห้นั่นคือความกรุณานะครับพระเยซูคริสต์จเจ้าเองพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ให้พระองค์ให้ชีวิตของพระองค์เองพระองค์สละบัลลังก์ความยิ่งใหญ่แม้กระทั่งความเป็นพระเจ้ายอมจํากัดสิทธิอํานาจของพระองค์เองเพื่อจะเป็นมนุษย์เป็นคนที่ห่อนแอเป็นคนที่ทุกข์ยากลาบากเหมือนกับเราทั้งหลาย เพื่อจะให้เราได้รู้ว่าพระองค์สง่งเพื่อจะเป็นแบบอย่างให้กับเราในการที่จะให้พระวจนะของพระเจ้าที่เราอ่านด้วยกัน3ข้อสี่ข้อมือสักครู่นั้นในพระธรรมกิจการบทที่ยี่สิบตั้งแต่ข้อยี่สิบเป็นต้นมานั้นนะครับเป็นคํากล่าวอำลาของท่านอาจารย์ปอลนะครับกล่าวอำลาคริสตจักร เมืองเอเฟซัสและท่านกล่าวกับผู้นำของคริสตจักรว่าท่านกําลังจะจากพวกเขาไปไปทํางานไปประกาศไปดูแลในสารที่แห่งใหม่ท่านอยู่กับพวาเขาประมาณสามปีในไข่ขแข่งพระกัมพีพระธรรมกิจการนะครับถ้ามีคําถามบอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับอาจารย์ปอลโลพูดกับใครนะครับ อย่าเอาตัวเองเข้าไปในเวลา น, นั้นนะครับบอกว่าคําตอบก็คือพูดกับผู้นําที่จักเมืองเอเวซัตเนี่ย ต, ตอบถูกแน่นอนนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ากรรมการที่ออกข้อสอบจะออกข้อนี้หรือเปล่านะครับแจนโปรโลโก็เตือนและย้ําว่าสิ่งที่ท่านอยู่กับเขาสามปีนั้นท่านได้วางแบบอย่างให้เขาไว้แล้วนะครับให้เรามาดูด้วยกันว่าเราจะ เป็นคนมีน้ำใจได้ยังไงประการที่แรกครับให้เราเริ่มที่ใจชีวิตเริ่มต้นที่จิตใจคำพูดความคิดต่างๆนั้นก็เริ่มที่ใจทั้งสิน้นในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่สองก็เช่นเดียวกันพระคัมภีร์ได้บอกกับเราให้เรารับการเปลี่ยนแปลงที่จิตใจแล้วอุปนิสัยของเราจึงจะเปลี่ยนใหม่ ชีวิตของจันเปโลนั้นหลังจากที่ท่านได้กลับใจระหว่างการเดินทางไปเมืองดามัสกัสการเดินทางของท่านนั้นท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากนะครับก็คือไปจับและลากคริสเตียนลากใครก็ตามที่เชื่อพระเยซูใครที่เชื่อหรือว่าเดินในทางของคนชื่อเยซูจับมาข่มเหงจับมาลงโทษแต่ระหว่างทางนั่นเอง ท่านได้พบกับแสงที่เจิดจ้าจนตาของท่านมองไม่เห็นและก็ล้มลงที่กลางทางนั่นเองพระสคซิตตัดกับท่านว่าเจ้าท่านข่มเหงเราทำไมและอาจารย์เปโล ก, ก็ถามว่าพระองค์คือใครพระเยซิตเจ้าเราคือเยซูที่ เจ้าขมเหงนะครับเมื่อตาท่านได้เห็นได้รับการรักษาได้รับการวางมืออธิษฐานแล้วนั้นเ mm. ปาโลเปลี่ยนเพียงไม่กี่วันไม่กี่เดือนจากคนที่ขมเหงจากศัตรูกลายเป็นคนที่เป็นพยานเป็นคนที่ประกาศเพื่อพระเยซู ท่านไปในรอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับในแถบของประเทศอิสราเอลเลบานอนเซียรถ้าไปเซียรปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือเปล่านะครับประเทศกรีซประเทศตุรกีไปถึงอิตาลีเป้าหมายของท่านก็คือปรารถนาที่จะไปสเปนท่านเริ่มต้นที่ใจตั้งเป้า ไปให้ได้ไม่ว่าไปด้วยวิธีไหนก็ตามในการไปอิตาลีหรือว่าไปกรุงโรมนั้นไ ป, ไปในฐานะของการเป็นนักโทษไม่ได้ไปในฐานะของผู้ประกาศหรือว่ามิชนาลีนั่นเองหัวใจของอาจารย์โปรโนั้นท่านมีความตั้งใจที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐให้กับผู้คนทั้งหลายที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องของพระเยซูคริสต์ และใจของเราล่ะครับเมื่อเราเห็นคนรบข้างเรามีความคิดมีทัศนคติยังไงต่อเขาน้ําใจของเราปรารถนาที่จะได้แบ่งปันสิ่งดีให้เขาเข า, ขาไหมแม้ว่าในสังคมปัจจุบันเราจะพบว่ามีทั้งคนที่ถ้าเป็นคนขัสนขัดสนจริงขัดสงในจริงนะครับขอทาน นี่เป็นอาชีพนะครับไม่ได้ขอทานเพื่อเพราะว่าขัดสนนะครับขอทานเป็นอาชีพนะครับบางคนที่บ้านต่างจังหวัดนั้นมีรถยนต์แต่ว่าอาชีพก็คือขอทานในเมืองกรุงเนี่ยนะครับมีชายคนหนึ่งนะครับได้เขียนว่าคุณไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ได้ให้ชีวิตวันนี้ หากคุณยังไม่ได้ทำอะไรให้กับใครสักคนที่สามารถตอบแทนคุณได้คือหมายความว่าเราจะยังไม่ได้ใช้ชีวิตในวันนี้ถ้าเรายังไม่ได้ให้อะไรกับคนที่ไม่สามารถตอบแทนเราได้ปกติคนที่ให้มักจะให้แล้วหวังสิ่ง ตอบแทนเมื่อวานนี้มีรถติดที่สีแ่แยกแห่งหนึ่งแถวๆถวปทุมธานีเกิดอะไรขึ้นครับเมียหลวงขับรถตามชนเมียน้อยตับชนรถของสามีกับเมียน้อยเพราะว่าสามีกำลังพากิ๊กไปเที่ยวเผอิญว่าภรรยาก็ติด GPS ีสรถเบนซ์ของสามีไว้ นั้นเมื่อกำลังไปภรรยาก็ขับรถตามก็ชนอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นเจตนาให้เกิดอุบัติเหตุไม่ได้ให้สิ่งที่ดีแก่กันไม่ได้มีน้ำใจที่ดีต่อกันมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับในยุคเมื่อประมาณเจปี กืบเจปีที่แล้วหนึ่งเก้าเขาเป็นมิชชันนารีไปประกาศที่ประเทศเอกวาดอร์ไปทํางานกับชนเผ่าอินเดียนซึ่งเป็นชนกลุ่มนี้นะครับบางกลุ่มบางเผ่านั้นก็จะโหดร้ายบางกลุ่มก็จะมีมิตรภาพที่ดีชนอินเดียนเผ่าออกานี่ในเอกวาดอร์เป็นกลุ่มคนที่ ค่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในหมู่บ้านของเขานะครับด้วยความมีน้ำใจจิมและเอลิซาเบตนะครับซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาที่ถวายตัวเป็นมิชชันนารีแต่ว่าเขาเองก็เป็นคนที่แต่งงานใหม่นะครับเมื่อเข้าไปในเอกวาดอร์นั้นเขาไปอยู่กับชนเผ่าอีกเผ่าหนึ่งแล้วก็ไปทำงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเผ่านี้ได้ให้การต้อนรับกับพวกเขาเป็นอย่างดีแต่ว่าเมื่อเขาเริ่มทำงานได้นั้นเขาก็เริ่มไปที่เผาออกาไป3ามวันแรกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็มีวิทยุส่งกลับมาว่าขณะนี้กำลังทำอะไรขณะนี้กำลังเข้านอนแล้วนะ ทำงานอะไรไปบ้างในวันนี้นะครับและ3มวันที่2ปรากฏว่าไม่มีเสียงวิทยุแจ้งข่าวสารความคืบหน้าของการทำงานของทีมมิชชันนารีที่ไปทำงานกับเผ่าออก์กาแล้วในวันที่7 เหล่าบรรดาภรรยาของมิชเนลีหรือว่ามิชเนลีผู้หญิงเหล่านี้ก็เห็นวัตถุสิ่งของที่เป็นสีสีลอยน้ามาเป็นระยะระยะเมื่อเข้ามาดูใกล้ๆนั่นคือศพของบรรดามิชเนลีเหล่านั้นที่ถูกฆ่าจากชนเผ่าออกาหลายคน เดินทางกลับบ้านแต่เอลิซาเบธซึ่งสูญเสียสามีไปแล้วด้วยความเสียใจแม้ว่าเขาจะเสียใจสูญเสียสามีสูญเสียเวลาฮันนีมูนแต่จิตใจที่มั่นคงไม่ยอมกลับเขายังอยู่ที่นั่นอีกสองปีแล้วก็มีมิชชันนารีอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาแล้วก็ทำงานกับชาวออก์กา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีโอกาสแบ่งปันในสิ่งที่ดีและเป้าหมายของพวกเขาแล้วเอลิซาเบธก็ตามเข้าไปสมทบแล้วปรากฏว่าเอลิซาเบตก็ได้เจอผู้ชายเจดคนรู้จักผู้ชายเจดคนและสองคนในเจดคนนั้นก็คือคนที่ฆ่าสามีของเธอแต่ว่า คนเหล่านี้ได้รู้จักพระเยซูคริสต์แล้วด้วยความมุ่งมั่นของเอลิซาเบธเขาไม่ละทิ้งที่จะอยู่ที่นั่นเพื่อจะทำให้เป้าหมายของเขาสำเร็จเราละครับจิตใจของเรากำลังมุ่งมั่นนะครับขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะหนักแน่นนะครับให้เราที่จะ เป็นคนนั้นที่มีน้ำใจเมื่อเราตั้งใจแล้วให้เราทําให้สําเร็จประการที่สองครับเมื่อเรามีใจพระเจ้ามีทางใช่ไหมครับให้เราฝึกที่จะมีเป็นผู้นั้นที่มีน้ําใจในข้อที่32สองนั้นบอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับถ้อยคําแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งมีฤทธิ์อำนาจฤทธิ์เปลี่ยนก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีโรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมมิกชนวิสุทธิชนจัมพพโลทำให้เขาได้รู้จักกับพระคุณของพระเยซูคริสต์รู้จักกับฤทธิเดชของพระเจ้าและเขาเหล่านั้นจึงมีชีวิตที่ขอบพระคุณพระเจ้าฝึก ที่จะขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่มีอยู่พอใจแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยฮิบรูบทที่13ข้อที่หได้บอกว่าท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าจะมีเล็กน้อยใน ชีวิตนี้แต่ว่าสิ่งที่เราได้รับนั่นคือพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าที่ช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ในแต่ละวันลมหายใจเราตื่นมาเราไม่ต้องเสียงเงินซื้อความอัศจรรย์ของพระเจ้าเราคิดดูนะครับสิ่งที่อากาศที่อยู่ภายในร่างกายของเรารู้ว่าอยู่ในปอดของเรานั้นเมื่อเราหายใจ สิ่งที่พ่อนออกมาก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แต่ขณะวินาทีเสียววินาทีนั่นเองขณะดที่เราสูดลมหายใจเข้าไปมันเป็นออกซิเจนทำให้เกิดการหมุนเวียนในเส้นเลือดในเลือดในหัวใจของเรานั้นทำให้การสูบฉีดเลือดในร่างกายของเรานั้นดีนั่นคือสิ่งอศัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทํฤทธิอำนาจของพระเจ้าทา ซึ่งเราเองทำไม่ได้เราจึงขอบพระคุณพระเจ้าอาจารย์ปโปรโลจึงได้กล่าวในเทสโลนิกาบทฉบับที่หนึ่งข้อบทที่ห้าข้อที่สิบปผมจะอ่านเวอร์ชั่น2011นะครับที่นี่ได้บอกว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายและในฉบับ2011ได้บอกว่า นี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสาหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้เราได้รับพระคุณของพระองค์และให้ให้เรารู้จักขอบพระคุณพระเจ้ารู้จักขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับเศรษฐีคนหนึ่งได้บอกว่าข้าพเจ้ามีเงินล้านแต่เงินของแต่เงินทองมหาศาลนั้นก็หาได้นำความสุขมาให้ข้าพเจ้าไม่หากคุณไม่มีความพึงพอใจ ในขณะที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยคุณก็จะไม่สามารถมีความพึงพอใจขณะที่มีมากเช่นกันยิ่งมีมากยิ่งมีโอกาสง่ายยิ่งไม่รู้จักพอแต่ว่าพระวจนะของพระเจ้าสอนเราให้ฝึกในการที่จะขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่สองครับให้เราฝึกด้วยกันนั่นก็คือว่าให้เราให้เห็นความสัมพันธ์แก่ผู้อื่น อาจารย์โปรโลเมื่อท่านจะจากเมืองเอเวซัสไปท่านก็ไม่ได้จากไปเฉยๆท่านย้ำพวกเขาว่าผมได้วางข้าวาเจ้าได้วางแบบอย่างให้กับท่านทั้งหลายแล้วนะเราบรรดาผู้นำทั้งนั้นที่มารับฟังคำของอาจารย์โปรโลและในะพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อส ได้บอกว่าอย่าทาสิ่งใดในทางที่ชิงดีหรือถือดีแต่จงมีใจทอมถือว่าคนอื่นดีกว่าอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วยท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์นั่นเห็นความสำคัญและให้คนอื่นที่จะได้รับ เกียรติได้รับคำการยกย่องจากตัวเราไม่ใช่ตัวเราได้รับการยกย่องจากตัวเราเองเราฝึกต่อมาก็คืออย่าให้ความปรารถนาของเรานั้นอยู่ในการครอบครองในทรัพสมบัติอาจารย์โปรโลได้กล่าวว่าการรักเงินทองนั้นเป็น อะไรครับรากเงาแห่งความชั่วทั้งมวลเพราะว่าความโลกนี่แหละจึงทำให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อการมีทรัพย์สินเงินทองนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดแต่ว่าการลุ่มหลงการรักสิ่งเหล่านั้นมากกว่าที่จะรักพระเจ้านั้นคือสิ่งที่เป็นท่าทีที่ไม่ถูกต้อง ให้เราใช้ทรัพยากรหรือว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์เป็นอุปกรณ์ที่จะสําแดงถึงความมีน้ำใจพี่น้องคงจำในพระธรรมลูกาบทที่1ิข้อส3าข้อหนึ่งถึง1ิบาได้เรื่องคําอุปมารเรื่องคนต้นเรือนสอัตว์นะครับซึ่งเขาเองนั้นเป็นคนที่ไม่สัตซ์ซื่อ แต่สิ่งที่เขาทำนั่นคือเขารู้ตัวว่าเขากำลังจะถูกไล่ถูกลงโทษนะครับเขาก็ไปเรียกลูกหนี้ของนายมาถามว่าใครมีหนี้อะไรกับนายเท่าไหร่เท่าไหร่เขาวางแผนคนที่ไม่สดซื่นนิชลาดนะครับวางแผนว่าเมื่อเขาโดนไล่เขาจะไปอยู่ที่ไหนนะครับเขาก็แก้บัญชีให้ลูกหนี้ให้นะครับแล้วก็เมื่อนายมา น, นายก็ยังชม plotted, ว่าคนนี้ฉลาดนะครับแต่พระเยซูบอกว่าคนที่สัดวซือ oy, ้อในของเล็กน้อยก็สัดวซื้อในของมากด้วยเขาใช้ทรัพย์และฉลาดใช้นะครับก็คือไม่ใช่ทรัพย์ของตนเองด้วยนะครับแล้วสร้างความผูกสัมพันธ์ให้กับลูกหนี้คนอื่นๆเมื่อเขาถูกไล่แล้วเขาก็คิดว่าเขาก็จะได้ไปอาศัยกับคนเหล่านั้นลูกหนี้ของนายนั่นเองนะครับเขาใช้ประโยชน์จาก เงินเพราะว่าเงินทองเหล่านี้ซึ่งเรามีอยู่นั้นแท้ที่จริงแล้วนะครับพระเจ้าก็ประทานให้กับเราเพียงพอที่จะดำรงชีวิตอยู่นะฮะและไม่เคยไม่ขาดในสิ่งที่จำเป็นมีคนบอกว่าเมื่ อ, อเราหาเงินได้มากมายและเก็บตุนไว้ การทดลองก็เกิดขึ้นนะครับจะทำให้เราเป็นคนขี้เหนียวหากเงินหากคุณหาเงินและจับใจใช้สอยระวังคุณจะเป็นคนใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยสุรุยสุร่ายหากคุณไม่ใส่ใจหาเงินคุณก็จะกลายเป็นคนขาดความเ ท, ทะเยอทะยานหากคุณหาเงินได้เยอะแยะและยังมีเหลือ ตอนจากโลกนี้ไปบางคนบอกว่าคุณก็เป็นคนโง่แต่ถ้าเราจัดการที่ดีการจัดการที่ดีก็ทำให้คนที่อยู่ข้างหลังนั้นไม่เดือดร้อนก็เป็นการใช้เงินอย่างฉลาดใช้มันเป็นอุปกรณ์ที่เราจ ะ, ะทำบักหลายสายสิ่งได้มากมายเงินนั้นในพันธกิจของพระเจ้าก็ยังใช้เงิน แม้ว่ากองทัพเดินด้วยท้องแต่ก็ยังต้องมีปัจจัยในการที่จะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้และสิ่งที่เราจะฝึกฝนควรจะฝึกฝนนั่นคือพัฒนาการลักษณะนิสัยของการให้อาจารย์เปรโรจึงบอกกับผู้นำในเมืองเอเฟซัสบอกว่าข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างให้กับท่านทุกอย่างแล้วให้เห็นว่าโดยทำงานเช่นนี้ครช่วยคนที่มีกาลังน้อยและลึกถึงพระวัฒของพระเยซูเจ้า นั่นก็คือการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับข้อความนี้ไม่มีบันทึกในพระธรรมกิตติคุณทั้งสี่เล่มนะครับที่น้องไม่ต้องไปค้ น, คนแต่นี่คือคําสอนที่คริสตจักรยุคแรกเหล่าบรรดาสาวกของพระเยซูสอนต่อๆกันมาเป็นคําสอนที่เป็นคําสอนที่ปากต่อปากแม้ว่าไม่มีบันทึกในพระธรรมกิตติคุณทั้งสี่เล่มแรกนะครับ พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าทุกคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้เนื่อยการนึกเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีในการมรสการรอบเช้าวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้เตรียมกับท่านอาจารย์ทวิพง์นะครับเมื่อได้ยินอ่านผู้นำนวัสการอ่านเช้านี้ขอบคุณพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้ายืนหยันตรงกันทั้งรอบเช้ารอบบ่ายนั่นก็คือว่าในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่15ข้อ10มเสสได้กล่าวว่าท่านจงให้เขาด้วยความเต็มใจและเมื่อให้เขาแล้วอย่ามีจิตคิดเสียดายในกรณีนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพอรอำนวยพระพรแก่ท่านในบรรดากิจการทั้งสิ้นของท่านไม่ว่าท่านจะกระทาสิ่งใด นี่เป็นพันสัญญาของพระเจ้านะครับและประการสุดท้ายครับเมื่อเรามีใจเราฝึกฝนและเราก็ต้องลงมือทมให้เป็นอุปนิสัยเป็นชีวิตใจของเราเป็นเรื่องที่ในการดำเนินชีวิตของเราปกตินะครับให้ในสิ่งที่ดีแก่คนอื่น พระธรรมกลาเทียบทที่9ข้อ6ออขออภัยครับบทที่6ข้อ9ข้อ10มีกลาเทียมี6บทนะครับไม่ได้มี9บทนะคร บ, บทที่6ข้อ9ข้อ10ได้บอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทําดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็เจ็บ เ, เก็บในเวลาอันสมควรเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทําดีต่อคนทั้งปวงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีความเชื่อนั่นหมายความว่าเราก็เริ่มต้นจากคน ใกล้ตัวนี้เองนะครับพี่น้องของเราพี่น้องในความเชื่อและเราก็ให้กับเขานะทำสิ่งที่ดีแล้วอาจจะไม่นอกจากสิ่งของแล้วเรามีอะไรอีกครับความคิดที่ดีเวลาหูที่ฟังปากที่หนุนใจเวลาที่อยู่กับคนที่มีความทุกข์ใจ ครับเป็นแม้ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่นั่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับคนที่เราได้ให้กับเขาใช้เงินของเงินทองของเรานะครับที่เกิดประโยชน์ที่สํานัก ง, งานเราโบสถ์นะครับส่วนใหญ่เราก็เป็นคนวันนอกเป็นคนต่างประเทศนะครับเวลาเรากลับบ้านนะรเราก็จะมี ของฝากติดไม้ติดมือนะครับคนที่อยู่พม่า ก, ก็เอาของจากพม่ามาฝากคนในคนที่อยู่แม่ห้องสอนนะครับก็เอาของฝากกลับมาใครที่ไปเชียงใหม่ก็จะไม่ลืมหิ้วแคบหมูน้ําพริกหนุ่มนี่ครับเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆที่มีต่อกันพี่น้องเ ค, เคยได้ ให้สิ่งเล็กๆน้อยๆให้กับใครบ้างครั บ, นะรบวันหนึ่งที่ผมเองกออ็ทำในสิ่งนี้ในบ้านนะครับเวลาไปที่ไหนก็จะหิ้วของติดมือมาฝากลูกฝากครอบครัวอย่างเงี้ยมีวันหนึ่งที่ออลูกก็เขาก็ไปค่าย ล, ล่าสุดนี่ก็คือไปค่ายปราณบุรีนะครับค่ายเยาวชนเขาก็ ซื้อของมาฝากนะครับฝากพ่อนะครับแล้วก็พี่สาวลูกชายเนี่ยก็ซื้อของมาฝากแต่พี่ไม่ได้ไปค่ายแต่เขาไปไม่แน่ใจว่าไปจตุจักรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาก็ซื้อของมาฝากนะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้า เ, าเขาก็ได้รับการเาเมื่อเขาได้เห็นแล้วเขาก็ทำตามนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทำได้พี่น้องครับ ในแต่ละวันนั้นเรามีโอกาสในการที่จะทำสิ่งดีๆโอกาสที่เราจะแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่อยู่ข้างๆเราการที่เราจะสัมดงจพระเยซูกิจเจ้ามันไม่ใช่เพียงแค่เราพูดเรารู้พระคัมภีร์เยอะแยะมากมายแต่คนไม่ได้เห็นว่าชีวิตคริสเตียนเราแตกต่างอะไรกับคนอื่น เราสามารถที่จะเริ่มต้นในการแบ่งปันในการที่จะให้สิ่งเล็กๆน้อยคนเห็นชีวิตในพระเยซูคริสต์ในสิ่งที่เรากระทำก็เป็นคําพยานที่ดีในการที่เราจะบอกเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าให้กับเขาจริงๆแล้วผมมีอีกตัวอย่างหนึ่งเรื่องของหญิงมา่ายชาวเซลาฟัดครับอขอเวลาอีกไม่เกินห้านาทีแล้วกันนะครับในออ สมัยของในพระคัมพีร์เดิมนะครับเอลียาขณะที่เขากําลังทํางานรับใช้พระเจ้านั้นในปีที่แห้งแล้งนะครับพระเจ้านําเขาไปในที่แห่งหนึ่งคือและเขาก็ไปถึงเมืองเซราฟัดนะครับพระเจ้าก็นําเขาไปในบ้านและเขาเองก็เข้าไปขออาหารจากหญิงไม้หญิงไม้บอกว่า ไม่ได้ฉันมีแป้งเพียงกามือเดียวที่จะทำอาหารของฉันและลูกชายกินแล้วฉันก็จะตายเพราะมันเกิดความแห้งแล้งไงครับมันจะไปทำอาหากินอะไรล่ะครับสิ่งที่มีอยู่นี่ก็คือนี่แหละอาหารมื้อสุดท้ายแล้วกินแล้วก็จะตายนะครับแต่ เอลียาผู้รับใช้ของพระเจ้าบอกว่าไม่เป็นไรเธอไปทำอาหารของเธอกับลูกชายเธอแต่ใหมาใหฉันกินก่อนนะครับหญิงม่าคนนี้ก็ไปทำตามที่เอลียาบอกนะครับแต่แล้วปรากฏว่าแป้งกับน้ำมันในไหไม่หมดตลอด สามปีครึ่งที่เกิดความแห้งแล้ง น, นั้นการอัศจรรย์กเกิดขึ้นพระเจ้าทรงกระทำได้แม้ว่าในน้ำใจเพียงเล็กน้อยที่เขามีต่อผู้รับใช้ของพระเจ้าซึ่งเปรียบเหมือนกับตัวแทนของพระเจ้าและเหมือนกับการทำให้กับพระเจ้าสามปีครึ่งเขาไม่อดและไม่ตายหรือและหลังจากนั้นอีกพระเจ้ายืนยันอีก ถึงพระพรของพระเจ้าที่มีกับครอบครัวนี้ก็คือว่าลูกของหญิงไม้ตายนะครับแล้วพระเจ้าก็ให้เอลียานั้นได้ทําการอัศจรรย์เด็กคนนั้นนี้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราทั้งหลายนั่นเองขอ จบลงด้วยพระคัมภีร์สองข้อสุดท้ายนี้นะครับสามข้อนะครับสองโครินธ์บทที่8ข้อที่9ได้บอกว่าเพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์บัางข้างพระองค์ก็ยังอยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีเนื่องจากความยากจนของพระองค์และสุภาษิตบทที่ สิบเข้อยี่สได้กล่าวว่าบางคนยิ่งจําหน่ายยิ่งมั่งคั่งบางคนยิ่งยึดสิ่งที่ควรจําหน่ายไว้ยิ่งขัดสนก็มีบุคคลที่ใจกว้างขวางย่อมได้รับความมั่งคั่งบุคคลที่รดน้ําเขาจะได้รับการรดน้ํา mm hmm. เมื่อเรามีน้ําใจพระเจ้าก็จะมีสิ่งที่ดีให้กับเราและพระองค์ก็ประทานน้ําพระทัยที่ดือเลิดให้กับเรา a เมน